แนะนำบทอัลมุดดซิรอัลมุดดซิรเป็นบทมักกิยาะมีห้าสบกโครงการเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนๆนี้คือบทอัลมุดดามิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตและบุคลิกของท่ า, านรอซูลสลลัลลอฮุอะ ล, ลัยวะสัลลัมด้วยนี้จึงถูกขนานนาม ว, ว่าอัลมุดดซิรบทได้เริ่มด้วยวการใช้ใท่านรอซูล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 ในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้จะจบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุสลิมีนไม่ยอมศรัทธาด้วยพระนามของ a l l ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ผู้ห่มกายอยู่นั้นจงลุกขึ้น และประกาศตักเตือนบบ ك ك และแด่พระผูพ้พิบาลของเจ้าจงให้ความเกลียนไปลงและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สอาดเสียและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดเสียและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียลและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายลบบและเพื่อพระผูพ้พิบาลของเจ้าเท่านั้น เจจ้างมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นนั่นคือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลำบากแกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ฆ่า ได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเกิ ด, ดและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างเหลือลน้นและลูกหลานที่พรั่งพร้อ ม, มและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบหรือ เขายัางลบทิจใจข้าเพิ่มภูมแก่เขาอีกอเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเราในไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เขาอแท้จริงเขาได้ไข้ควรและคาดคะเนดังนั้น เขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไรมลดดรแล้วเขาต้องได้รับความหายนะเขาจะคาดคะแนนได้อย่างไรมมานแล้วเขาได้กลิ้ดลองอแล้วเขาทําหน้าบูดบึ้งและทําหน้านิ่วคิ้วขมวม ด, ด แล้วเขาก็พลินหลังออกไปและยิงพยองแล้วเขาได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายาคนที่สื่อทอดกันม า, า, า, ววานมอิไรอื่นนอกจากเป็นมายาค่สืบทอดกัน นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำพูดของผูทุชนธรรมดาในไม่ช้าค่าจะโยนเขาเข้าสู่กางไฟที่เผาไหม และอัดเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไรมันจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วมันจะไม่ปล่อยผูด้ใดให้คงเหลือไ ว, วล้ลาวมันจะเผาไหม้ผิวหนังจนไหม้เกรียมเนื้อมันมีมาลรยาค่าสิบเก้าท่าน وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا ك ِ ت ن َ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا ك ِ ت ن َ ك َ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا ي َ ت َ ا ب َ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وليقول الذين في قلوبهم لرضوا والكافرون ماذا أراد الله بها دمثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جلود َ ب ك َ إلاه وما هي إلا ذكرى للبشر และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาลิกาเท่านั้นและเราไม่ได้กําหนดจํานวนของพวกเขาไว้แม้แต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาชาวคัมภีร์จะได้เชื่อมัน่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาชาวคัมภีร์รวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัย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 ก ล, ล่าว เ, เลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไปสสอ ข, ขอสาบานด้วยยามเชา้าเมื่อมันทอแสงแท้รจริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่ง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 ย, ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวาทีะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกั น, น, นเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดะอะไรที่นำพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้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 โดยที่พวกเขาหิ้หลังออกห่างจากข้อเตือนสติประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปียวที่ตือนส น, นกหนีจากเสือสิงห์แท้จริงทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นบันทึก ยื่นมาให้เขาไม่เลยยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่เกรงกลัววันพราโลกอีกด้วยไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติ